คาปกตินับัจพาะเราทำสู่กันฟัง <c oughs> ชีวิตเราต้องมีการศึกษาไม่ใช่ปล่อยตามปล่อยมีวัดปฏิบัติ ฝึกัดใจไวใจใจของตนถ้เราไม่ฝึกหัดใจมันก็มีพิษมีโทษใจมันก็มีโทษต่อชีวิตเรามันปรโยน์มันมีพิษดยเพราะจิตใจนี่มันเป็นสอสสละพิษมันทำ้ายชีวิต ตัวเองเลยคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นนะ <c oughs> โบราณ่านว่าเสือมันร้ายแต่ว่ามันยังสู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับิตของคนไม่ได้อารมณ์นี่มันร้ายโหเสือมันตรายคนมากมากแลว เราจึงต้อง ก, กื่นตัดแปลงกายวาจาใจของตนไม่หมดพิดหมดโทษหมดภัยให้มีแต่ผลามดีซึ่งภาอาศัยเดีวเรามีใจเนี่ยเราพึ่งใจเราได้หรือเปล่าหรือว่าเอาใจไว้ลงโทษตัวเอง คิดขึ้นมาแล้วเศร้าหมองคิดขึ้นมาแล้วโกรกคิดขึ้นมาแล้วทุกข์อย่างนั้นมันก็ผิดเราต้องมาฝึกหัดให้มีสตคิคอยดูแลแต่นี่ตายขอเราไม่มีใครดูแลใจก็ไม่มีใครดูแล เป็นใจเถือนเถื่อนเป็นใจเถื่อนเถืเเ่อนใจนั่นแต่คิดอะไรก็ได้คิดชั่วชั่วคิดอะไรก็ได้ไม่ได้ต้องรู้จักสอนใจตัวเองเหมือนครูสอนลูกศิษย์เหมือนพ่อแม่สอนลูก แต่ครูสอนลูกศิษย์มันเป็นเรื่องภายนอกแต่ว่าสตินี่เมื่อได้เห็นเมื่อได้ดูเมื่อได้มีมันจะให้ความจริงไม่เหมือนตาที่มันเห็นให้สติที่มันก็ไปเห็นความคิดสติไปเห็นความคิด เมื่อมีสติความคิดที่มันหลงมันก็ไม่ไปมันมีความถูกมันมีความเป็นกรางสตินี่ทำให้เกิดความเป็นกรางต่อกายและใไจไม่ว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นความเป็นกลางนะมันก็มีความเป็นทาง ในวามเป็นธรรมันก็ถูกต้องผมเสื่อมงว่าได้ที่ได้ถาดชีวิตเราก็มีสิ่งที่ถูกและมีสิ่งที่ผิด <c oughs> เราจงมาสอนมีสติคอยดูแลตายคอยดูแลผิดใจอยู <c oughs> เสมออย่า <c oughs> ปล่อยวางเลย <c oughs> ให้โลูเท่าโลภทัน เวลาใดที่มันหลงให้มความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันโกรธให้มีความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันทุกข์ให้มีความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันหลงคิดไปให้มีความรู้สึกตัวกลับปาหาที่ตั้งเรามาฝึกวิธีเรามาฝึกวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ลิ้คิดชีวิตของเรา ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ผูกที่ชอบเราจะมามีพิธีกรรมมายกมืนสร้างจังหวะมามีสติคอยเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาอย่หาวิธีที่จะรู้อยู่เสมอขยนันรู้อย่าไปขยันหลง พยันรูปเอาไว้รูปเอว้ใมันต่อเนื่องให้มันมีมากมาเมือเ่อความลูปมันมีมากมากความหลงก็หมดไปความรูปสิบตัวมันจะมันเก้าหนีไปจากความหลงมไปไกลไปจากความหลงไปสู่ความไม่หลงอตัวรูปสิบตัวเมื่อมันไม่หลงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคำนั้นแหละที่ว่ากลับ กรรมันจะลิขิตไปจำแนกไปทำมุนาวัตติโลโกสัตโลกโยเป็นไปตามกรรมผู้ทํากรรมดีอมได้รับผลดีผู้ทากรรมชั่วย่อะได้รับผลชั่วกรรมเป็นของของตนอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปอ้นอนวอนไม่ใช่าศาสตร์หนาแห่งการอ้อนวอน ศาสตร์ศิกัเป็นศาสตร์ศนาแห่งการกระทําตรงไปในสติไปอยู่กับกายจริงๆรู้จริงไอ้มันรู้อยู่นานานไอ้มันโตเนื้อให้มันยาวจะให้รู้สั้นสั้วเราจะมาสร้างให้โอกาส ให้โอกาสแก่ชีวิตเราให้มีโอกาสได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวมีโอกาสสัมผัสกับความรู้สึกตัวอย่าไปสัมผัสกับความหลบสอนตัยเราอย่างนี้ในโลกนี้สิ่งที่ชวนให้เราหลงมันมีมากสิ่งที่ชวนให้เรารู้สึกตัวมีน้อย อาศัยวัตถุภายนอกแทบจะไม่มีรองหนังรองอกอนมีมากกว่าโรงเรียนบันปามกุกมีมากกว่าวัดวาอาราบหลังปลอมหลงมันมีมากแต่เราไม่แวดของมาดูแลตัวเอง ทั้งชีวิตก็จะจบตกอยู่ในความหลงตั้งแต่เกิดจนตายมืดมาแล้วมืดไปทั้งมืดมาขอให้มันสว่างไปเราจะมีกิจกรรมโดยเพรา ะ, ะรากสุดาเป็นโครงการที่ดีมากมาศึกษามาปฏิบัติโดยเพราะความรู้สึกตัวความรู้เสร็จความระียกได้ ไม่ใช่เพศไม่ใช่วัยไม่ใช่รัฐทิไม่ใช่นิกายเป็นเรื่องศัจธรรมไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่คนตาบอดไม่ใช่คนตาดีเป็นเรื่องของสาปนผลควารู้สึกตัวปิ๊กเมื่อขึ้นรู้สึกตัวเลยไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นคนหนุ่มไม่เป็นคนแก่ความรู้สึกตัวไม่ได้เป็นตำบวจไม่ได้เป็นคราวาสความรู้สึกตัวเป็นศัจธรรม ในรักษาคนมันมีอยู่นี่แต่ถ้าเราไม่สร้างตรงนี้ก็จะไม่เห็นสัจธรรมจะเห็นแต่ของปลอมๆเป่นตา ย, ตา ย, ตายเข่นใจของเราเนะมันคิดไหลเลือดโดยคิดมันมีอยู่สองลักษณะอันหนักมันรักคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันคิดไปเอง อันหนึ่งตั้งใจตั้งใจคิดคิดแล้วมันจบเป็นการตั้งใจคิดมีประโยชน์เป็นชิ้นเป็นการเป็นงานเป็นปัญญาแต่ว่าตัวลักคิดเนี่ยมันเป็นขมโมยทำให้เราหลงไปเราเราจะมามนสติคอยดู คอยดูแลเอามาตั้งไว้ที่กายก่อนเพราะกายมันเป็นรูปเราสัมผัสได้มือก็มีจริงๆแต่ไว้ใจมันเป็นนามเราจับต้องมันไม่ได้แต่ว่ามันหัดได้มันหัดได้พราแต่เรามาเอากายเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายที่รู้อยู่เสมอเนี่ยเมื่อมันรู้อยู่มันตั้งอยู่ใส่ในมิต เอาายเป็นในเม็ดเพื่อสร้างความรู้สึกตัวแล้วมันก็ไปสอนใจเลยเมื่อมันรู้อยู่นี่มันไม่ไปไหนมันรู้อยู่รี่ก็คือใจนั่นเพื่อนไว้อยี่นี่ก็าตือตายมีสติค่อยจับอยู่รู้อยู่นีเอาไฟมามันก็ขยันรู้เข้าความรู้เลยมันก็ตรงกันข้ามถูกความหลงโดยธรร ม, มาชาติ คอยมันในลูกอยู่นานๆตั้งอยู่นานๆอย่าให้ความหลงมาตั้งอยู่นานเกิดไปเมื่อความหลงมันเกิดขึ้นเอาความลูกไปใส่เอาความลูกไปใส่เฉลยมันหลงก็ลูกมันทุกข์ก็ลูกมันโกรธก็ลูกมันร้อนมันหนาวก็ลูกมันปวดมันเมื่อยก็ลูกเนี่ยมันจะไปไหเอาความลูกไปลงพื้นที่ ไปโลบโลภไปรู้โลภโลภนะมันใช่ได้พอรู้สึกตัวไปอยู H ่ตรงไหนก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องของรู้สึกตัวเป็นความโกรธพอรู้สึกตัวความโกรธก็หายความหลงเมื่อรู้สึกตัวความหลงก็หายความทุกข์เมื่อรู้สึกตัวความทุกข์ก็หายขอให้เราสร้างความรู้สึกตัวนี้ เหมืนกัเรามีเงินสร้างไว้หาไว้เก็บไว้ถ้าเราจะใช้จ่าย ก, ก็สะดวกเรานิวข้าวเอาเงินไปซื้อข้าเวลาหนาวก็เอาเงินไปซื้อผ้ามาห่มเลาร้อนก็ซื้อผ้าลมมาพัดมาวีซับภายนอกก็ใช่ซับภายในคือสติเนี่ยมันไม่ใช่จะโลกนี้เท่านั้น มันใช่ถึงโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้เราเวลามันทุกมีสติควนทุกข์ก็หมดไปแล้วความโกรธก็หมดไปถ้ามีสติพวามวตกกังวลเศรหมองหมดไปเลยการสติลงตรงไหนเหมือนจะไม่ปวดไม่ปวดผ่านไปตรงไห น, นที่นั่นก็สะอาดผันผ้าที่เราผูสาราผ้าเช็ดไปตรงไห น, นที่นั่นก็สะอาด สติก็วันกันเหมือนไม้ขวดมาลู้ตรงใดด้านะสะอาดอะรจะได้เห็นเห็นคุณค่าของความลู้สึกตัวมันเป็นประโยชน์เพื่อผูต่อชีวิตต่อมันจะไม่หลงูสึกตัวเนี่ยบรรยากาศเนี่ยดีมาก ภาษาพูดเอามาเป็นภาษาใจมันสัมผัสได้ความรู้สึกตัวมันสัมผัสได้อิริยาก็สัมผัสได้เอามาเป็นความรู้สึกตัวมาเป็นความรู้สึกตัวมีแต่คนช่วยพวกเราคามคิดที่จะช่วยกัน มาบอกความจริงว่ชีวิตเรามันมีกายมีใจกายที่มันแสดงออกใปทางไม่ดีเราสอนมีสตริรู้เท่ารู้ทันจะพูดจะทำจะคิดให้รู้สึกคอยดูแลอย่างนี้มันก็ปลอดภัยเหมือนแม่เหมือนพ่อดูแลลูกปลอด โลก่อนโลกน้อยก็ปลอดภัยพระพุทธเจ้าถึงเปรียบเสมือนสติเหมือนพ่อเหมือนแม่ไปยังมาสร้างตัวเนี่ยไปทางไหนอย่าไปคนเดียวให้มีผู้ป้องมีคู่ชีวิตที่มีคู่คู่กับคนรู้สึกตัวงไปได้สัมผัสมีสติสมผัสกับกายสัม สติสัมผัสกับจิตใจมันจะเกิดความเป็นธรรมเกิด ค, ความถูกต้องเกิด ค, คุณภาพเกิดมาตสถานชีวิตที่ได้มาตสถานคงเส้นคงว่าจนเหนือการเกิดเก่บเจ็บตายแห่งเศรษฐเหนือการเกิดเก็เจ็บตาย เช่นความโกรธถือว่าตายไปจากชีวิตแล้วความไม่โกรธคือความไม่ตายความทุกข์คือความตายความไม่ทุกข์คือความไม่ตายความหลงคือความตายความไม่หลงคือความไม่ตายมันอยู่ตรงนี้ชีวิตเแต่เราไม่หัดเกิดดับเกิดดับเกิดดับติดเรื่องนั่นต่อไปเรื่องนี้ มันเกิดเป็นหลักละเมอเพิ่มขัดถ้าเราไม่ปะกะัดมันฟุ้งฟุ้งซาดเหมือนไก่เขีย่ยไม่เป็นขี้นไม่เป็นอันถ้าเราฝึกม้างเเป็นเฉพาะเลือกมากแม่นยงชัดเจนชีวิตไม่พลาดพลาดพลาดชีวิตชัดเจน แต่ทำอะไรมันชัดเนจนแต่ดูหนังสือมันก็อ่านหนังสือแต่เราไม่โูกเสถ้าอ่านหนังสือไปแล้วครึ่งหน้าค้อนหน้าไม่รู้จักว่าตัวเองอ่านเรื่องอะไรต้องกลับมาอ่านชีวิต ท, ที่ไม่ชัดเจนชีวิตไม่แม่นยำเราจะต้องคอยอย่างนั้นเลยชีวิตเรามันลิขิดได้ มันแต่งนดะเป็นโบราณทราร บ, บุญวาสนาบาลเมวาสนาเนี่ยมันแต่งได้อยากดีก็ทำลงไปตระพริมชั่วลงไปทำความดีลงไปวาสนาคือเขียนเอาแต่งเอาวาดเอาให้กายมันดีให้ใจมันดีนะแต่วาสนา ให้มันมีคนรับข้าววังคนก็พูดว่าวาส น, น, นรารแข่งขันกันได้ไม่ใช่หรอวัสนารนี่แข่งขันกันได้เราจะต้องมาแต่งกายแต่งใจข้งเราโอเคแต่งให้มันงามพาแป้งพาหน้าเสริมสวยอันนั้นก็เป็นเรื่อง่แต่งกายให้มันงดํามศิลปยามันเลยยากรู้จับพูดรู้จักจา้าดูจับ สแสดงออกไม่ตายมีสติใจก็แตดงได้ดู้จัดยิ้มแย้มแจ่มใสยืดจุน่นยินยอมปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่เปยึดเอาบางคนไม่แต่ยึดเอาความทุกยึดเอาความโกรธเอาความโกรธมานอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามตืนนีไหม สองวันแรกยังโกรธอยู่สาวันแ้กยังโกรธอยู่หน้าโกรธหน้บึ้งอยู่นั่นท่านท่านที่เป็นโทษตัวเราก็ยังไม่รู้จะโปรธบางคนก็ถือเไว้ถ้ากูดได้โกรธสิ้ตายกูก็ไม่ลืมถ้ากูไม่ถ้ากูด ไ, าดได้โกรธกูไม่ได้ฆ่ามันแลไม่ยอมไปถ้าเราเปิดกันม่นจะรูจะงหวะใจนี่เอาไม่ได้หใจ นี่แต่วางถ้ามือนี่ต้องจับปากกาดินสอจับการจับงานแตใจนี่ต้องวางอะไรที่มันเกิดขึ้นกัใจวางวางหวางจนว่างจนไม่มีอะไรใจปกติใจวางใจปลดต้องรับเป็นที่อยู่ของใจปกตินั่นเรียกว่าที่อยู่ของใจ ให้อยู่ตรงนั้นอย่านี้ไปจากตรงนั้นบางทีตรงีสิ่งอื่นมาชวนให้นี้ไปจากปกติความโกรธถือว่าไม่ปกติความเป็นตกกังวลสอมองถือว่าผิดปกติมันหนีจากบ้านนะบ้านของใจคือความปกติบ้านของกายคือมีทีมิมุงทิมบัง กัฝนกันแดด ก, กันลมกันร้อนกันหนาแต่บ้านของใจคือปกติเราจะมาสร้างบ้านของใจบ้านของใจนี่ไม่เสื่อมไม่โศกนะถ้าเรามาสร้างเราเรียกว่าเนื้อตาคือเจ็บเจ็บตายถึงมรรคผลทิศผานป็นบ้านของการโศก บ, บางทีทิศผายเขาลมเขา ไปเพราะหน้าบุทธกัภไผ่วาจัยอักคีภไยสองวันมาเนี่สามวันมานี่ยบ้านข้างล่างเราไปบ้านทงยับเยินเลยฝนโปลงลงครับบ้านน้องตนาเนี่ย <c oughs> วันนั้นวันเทเราทำวัดเย็นฝนตกเห็บลงที่วัดเรามันพัดตอนนี้หน่อยเดียวมันโดดลงไปข้างล่าง ไปไขยี้ว่าน้องตนาน้องเห่วหนองบ่เขื่อ น, น, อนแหลกตรงไปนั่นบ้านของกายนะมันเกีบหวข้ายาวว่าตอไปรอัคคีไพยอุทกเกิดไปน้ำพวกอัคคีภพรไปไม่ว่าตะไคลงพัดนะแต่บ้านของใจคือปกติไงอัคคีไพรไป ไ, ไม่ได้ลงพัดไม่ได้โจนก็มวลกำลังะเป็นสมบัติของเรา เป็นสมบัติของเรามาสร้างาความรู้สึกตัวเลยทําให้จิตใจสู่ปกตินานหนึ่งวันสองวันลุ้เราจะมาสร้างถ้าได้รู้สึกตัวสักห้าวันเจ็ดวันเมื่อมันหลงมันจะมันจะตกใจความหลงคิดอย่างนั้นแต่ว่าเบิกเบือนความรู้สึกตัวมันสะอาดมันบริสุทธ์ มันใหม่เอี่ยมมันผักมันสดมันแค่อยู่ในตู้เย็นสดชดไม่เหี่ยวโรยสุดตัวมันสา่ความหลงเบื้อนเวลาใหนมันหลงมันเปื้อนแต่เราไม่เคยสัมผัสกัวรู้สึกตัวมันก็อยู่กับคมเพื่อความหลงครับแต่เราได้รู้สึกตัวเสิแล้วมันไม่เอาอกความหลงมันไม่ถูกต้องจริงๆ ความโกรธก็ไม่ถูกต้องจริงๆความทุกข์ก็ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องกว่าความไม่โกรธถูกต้องกว่าความไม่หลงถูกต้องที่สุดช mm hmm. าคนรด้นเคยสบถ ก, ก อ, อยู่นั่นแล้วอยู่ได้เหมือนคนสกปรกก็อยู่เรียกคนสปปกสปรกเนคนอินเดียเลยสตาไปประเทศอินเดียเ mm hmm. mm hmm. ม่ สกปรกนั่งเกียด์คู่เพียร์ปุ่อยู่นั่นแล้วมือ่อเพื่อนเขาก็ไม่เคยเห็นกัดสับเพราะเขาสร้างไม่ได้เอากระสอบขาดๆุมหัวนั่งอยู่ห่มอยู่แล้วก็หาได้แค่นั้นสิ่งที่ ใช่ของเขาก็เป็นสิ่งที่คนมี่ถ้านาะเอาไปทิ้งเลยกระสอบขาดถุงขัดขาดอเอามาคุมหัวมานอ น, น, อนหัวหงบนั่งอยู่ตามพุทธบาทถนนตายทำไปใ้ของหอ่อท้องเอาก็สอบหอ่อไปวางอยู่ตามแม่น้ําขงขาฝั่งแม่น้ําคงขาเพื่อเข้าคิวเผามันจด ชีวิตที่มันจนจนจนปัจจายความโกรธถือว่าความจนความทุกข์ถือว่าความจนความหลงถือว่าความจนของชีวิตทบางท่านเดียวเราหมายถึงความจนทางร่างกายทางวัตถุนั่นน่่นนี้อาจจะไม่มีในหมู่ผู้ที่มีความขยาย ความจนมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกลียดขานความจนไม่มีในคนขยันผู้ขยันย่อมหาสรัได้คนเกลียดข้านย่อมนอนเป็นทุกข์แล้ก็ <c oughs> เป็นไปได้แต่ว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยในหมู่คนขยันก็ยังจนนะเศรษฐียังเป็นโลกขาดทหาะ บางท่าเป็นเศรษฐีแต่ เ, เป็นโรคขาตอาหารทำไมมันคิดมากอาหารดีๆกินลงไปไม่ย่อยเลยห้องโขกเลยเพราะมันอารมณ์เข้าไปอยู่แทนของคิดอะไรไี่ตกกังวลสนุนอยู่เสมออาหารดีๆนี่ไม่ย่อยเลยห้องโขกต้องไปกินยาถ่ายออกเพราะอาหารดีๆเลยไม่มีปิ๊ก เนะพาราะอารมเรื่องของใจเรื่องของจิตใจมันควบคุมทุกอย่างใจเสียแล้วเหมือนบ้านรั่วบนแปลเ ป, เปียกปหมดเลแปลด้จากแปลบ้านเคยจั่วหลังคาแต่มันมันรั่วตรงตรงกลางกลางโ<ม>นเพื่อนรปหมดเลยชนะีวิตเราถ้า หาใจไม่ดีเลยเสียหมดเลยสุขภาพก็เสียียาอะไรเนี่ยเสียอะไรเสียไหมดเลยเราจึงอยากจนอยากจนใจมา่นสั่งอะไรสั่งอาสร้างเ ส, ส, สติมีมวามรู้เสร็จไม่ฟังอะไรกอยากให้มันจนถ้าไม่จนใจแล้ว ทังที่หลงตาพ้นวันนี้นก็เกิดความสมดูลหลายอย่างสมคมก็ดีสุขภาพก็ดีเศรษฐกิจก็ดีนะถ้าไม่เสรุสรอมฉลามาเถอะมาสร้าคงครามสูกตัวไ ม, ม่มีบ้านบ้านของใจบ้านของใจนี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้นงมีแหละ เรามีความท่องแล้วมีชีวิตแล้วเราได้ชีวิตแล้วมีตายมีใจแล้วทำดีได้รัความช่วยได้โดยพสติีเนี่ยมันรักความชั่วมันทาความดีถ้ามีสริถ้ามีความรู้สึกตัวมันรักความชั่วแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็ทำความดีแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวจิตมันก็บริสุทธิ์แล้ว เป็ น, นเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วไม่ต้องไปพูดสักคำเลยว่าเจตนางดเว้นจากการฆ่าอะไรกูแต่ว่ามันเอาใจแล้วมีสติแล้วเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่มีแล้วก็นมีสติมันก็ทำดีอยู่แล้วลัวความช่วยอยู่แล้ว อ่านแ้วเสือได้ก็ไม่เป็นลายอ่านแล้นเสือไม่ได้ก็ไมเป็นไลายฮะบัวก็ไม่เป็นลายถ้ามีความรู้สึกตัวหูหัวก็ไม่เป็นลายถ้ามีความรู้สึกตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกสัจธรรมต้องเป็นสารพขนานี้ถ้าคนหูหัวคนตาบอดใช่ไหมได้ทําไม่ได้ไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ต้องอยู่กับผู้กับชีวิตของของคนหรอกคืมีกายมีใจ รับความชื่อได้ทําความดีได้<ม>ขอให้เรามีชีวิตในส่วนนี้ศึกษาเรื่องนี้ศึกษาชีวิตเรื่องรับผิดชอบของพ่อรับผิดชอบคํ า, คาสอนของพระพุทธเจ้าทดลองมีโอกามสมนสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตั ว, า ว, าวอลองเอามือวางไว้บนเข๊ะดูสิมีมือไหมนั่งอยู่เนี่ย ม, ม, earth, มีไหมในมือไหมเป็นในมือยกมือข้างขวากดเลยสิไห้มือข้างขว่าแสดงว่าเรามีมือเอามือข้างซ้ายอยู่ตรงไหนเดยวขึ้นเลยสิอ่ามีมือเอาเข่าอยู่ตรงไหนหัเข่าอยู่ที่ไหนเอามือข้างซ้ายตกหัเข่ามือข้างขวาตกหัเข่าดูสิตกเข่าดูสิงาเราเห็นไเอามือข้างขวาอยู่หัวเข่ามือข้างซ้ายอยู่หัวเข่าข้างซ้าย วางไว้วข้างซ้ายข้าง ข, างขวาวางไว้เดี๋ยวมือของท่านอยู่ไหนรู้ไหมมือของพวกท่านอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยรู้ไหมรู้ใครเป็นคนรู้ว่ามื อ, อู่หมอก่าต้องไปถามคนอื่นไหมว่ามือของเราอยู่ที่ไหน ท้าไงถามใคไหมว่ามือทั้ง้ทั้งขวารอยู่ตรงไหนไม่มีคําถามเรารู้เองเอาตะแคงมือทั้งขวารั้งไว้ดูซิตะแคงมือทั้งขวารั้งไว้คนข้อตั้งไว้ดูซิมือทั้งขวารั้งไว้ตะแคงตั้งไว้เลยใครเห็นใครเห็นว่ามือทั้งขวารั้งอย่ล้เราเห็นเองยกขึ้นยกยกเลยใครเห็น เราเห็นเองเขามาวางไว้บนท้องหน้าท้องรูเส็กเราเห็นเราเห็นเอาต่แคงมือข้างซ้ายตั้งไว้บนเขารู้สึกย่อเข็นรู้สึกมากกบมือข้างขวารู้สึตัวดูดูจมมือนี่ไม่ใช่เอาตาดูมันรู้ตาในมันรู้ เลื่อนมือข้างขวาเหนือมือข้างซ้ายขึ้นมารูส้รสึกก็เสกไปกับมือนี่ยกออกไปข้างข้างรู้สึกวางตั้งไ ว, ว้บนเขา่ารู้สึกคว่มลงรู้สึกแต่แขงมือข้างซ้ายตั้งไว้เอายกมือข้างซ้ายขึ้นมาออกไปข้างๆว่ารู้สึกวางลงตั้งไ ว, ว้บนเขา่า รู้ึกความลงรู้สึกนะคนหูหนวกก็มีสติคนตาบอดก็มีสติคนตาดีก็มีสติแต่เราว่าก็มีสติห้าก็มีสติอันเดียวกันอันเดียวกันพวกเราเนี่ยสากลคือสิ่งเดีย ว, วเรามาสร้างตัวนีไอ้รู้สึกตัวไอ้รู้สึกตัวอืาเราทาได้ทุกคนนี่คือสัตริธรรมนี่คือของจริง พุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่เกิดจากเอากายเอาใจมาสร้งางความรู้สึกตัวะเออตรงนี้พุตโทรมรคนในพานเกิดตรงนี้ปิดประตูโนรกก่อนปิดไปตั้งแต่วันนี้เปิดประตูวสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้เปิดประตูในพานก็อยู่ตรงนี้สร้งางความรู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้ แต่ไปชวงกันสร้างแต่ความหลงโนดเอาหนังมาฉายอืม่มคั่งขึ้นไ้ตลอดคืนเลยทำอะไรเป็นไรเรามารล้เจ็กตัวมารล้เจ็ตัวเนี่ยเออได้ทุกคนพระเจ้าสอนสิ่งที่เราทำได้แล้วทางสอนของพระพเจ้าปฏิบัติได้รู้ได้ทุกคน ให้คนนั้นไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติรูย้ยิ่งเห็นยิ่งสมกับการปฏิบัติขยันรู้ก็ได้ความรู้ขยันหลงก็ได้ความหลงเราจะไปขยันหลงหรือจะขยันรู้เรามาสร้างับชีวิตของเราที่อยู่ที่นี้พยายามที่จะเพิ่มความรู้สึกตัวไปกับการใช้ชีวิต ของเรานะอย่ารุกรีบุกลนใส่เพิ่มเติมลงไปจะไปล่างหน้าแปลงันมีความรู้สึกตัวนะจะกินข้าวจะอาบตามรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเพิ่มไปให้มีนิสัยให้มีปัจจัยมีนิสัยความหลงมีนิสัยความรู้ อย่าไปสร้างนิสัยให้เกิดความหลงสร้างนิสัยให้เกิดความรู้เอามาเป็นความรู้สึกตัวนี่เรียกว่าบทฝึกมันเราเรียนภาษาเหมยเดี๋ยวเรานล่องตาล่อตากำลังเรียนภาษาเหมยอยู่ทำมาอ่านอ่านไปตาไปก็หัดยกมือไปเขาว่าอาไปชมกันมากๆเอามือม า, าสานกันอ่า ามือภาษากันมากกวกาเร า, าทำเราลักดาก็เรียนก็ามาทำภาษาเมืองกายเป็นปัญญาไปเลย ไ, ได้ภาษาใจภาษาความรู้สึกตัวนะเนี่ยเอามาอรู้สึกตัวไปไหนรู้สึกตัวเอื่อมมือไปจับอะไรรู้สึกตัวจับปากการู้สึกตัวตาไปเห็นก็รู้สึกตั ว, ต ว, ตตวพวกเราไม่มี ไม่มีเสียงยิ่งดีเสียงหนังก็าฉายเนี่ยขึ้นคืนตลอดคืนก็เรานอนสบายไม่ต้องไปต้อน <c ười> นี่ไม่ได้เปลี่ยนล้วก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะเราหู ด, ดีนี่โอ้เสียงกย็ขยายลงพ้นทั้งคืนพ้นไม่มีสติก็เกิดรนเราก็นอนหลับสะบะยอไม่มีเป็นทุกไม่เป็นทุกถ้าเรามีสติ ม, มัวเป็นทุกตะบอดเป็นทุกรู้อยู่ตรงนี้อรู้อยู่ตรงนี้ขณะเราจะมาเปิดนะเราอยู่ด้วยกันครัะขาศที่นี่ไม่ที่เรามาอยู่อยู่ตรงที่เดียวกันมาอยู่กับผมรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่สุขโตไม่ใช่อยู่ที่สารามาอยู่กับผมรู้สึกตัว เราปาสร้างสิ่งเวทล่อมให้เกิดความรู้สึกัวดเราาพูดในความรู้สึกัวเรามาทําในความรู้สึกัวดิริยาทางกายทางใจเราให้เกิดความรู้สึกัวแต่ก่อนนี้มันเกิดความหลงกายมันก็เกิดความหลงใจก็เกิดความหลงปัดนี้เอามาให้มันเกิดความรู้เปลี่ยนปฏิคือเปลี่ยนเปลี่ยนร่ายใจเป็นดี เปลี่ยนผิดให้ เ, เป็นถูกสติปฏิบัติเปลี่ยนเปลี่ยนให้ดีมันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้มันทุกข์เปลี่ยนเป็นตัวรู้มันโกรธเปลี่ยนเป็นตัวรู้เอาก mm ็า hmm. รู้ไปทั้งหมดมันมากจนเป็นมหาลูเรียกว่ามหาสิทธิปัฏฐานตามหลักคําสอนของปริชาอาวันนี้ก็สมควรเจริญละเราจะพูดกันเรื่องนี้ทุกวัน ไม่ใช่จัดกิตกรรมเฉลิพวกเราเท่านั้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วสามสิบกว่าปีตั้งแต่หลวงพวดเทียนสอนพวกเรามาพวกเราก็ทําอยู่นี่ใครจะมาใครจะไม่มาเราก็ตีสี่ตีข้องทำวัดตีสี่พวกเรากมานั่งตรงนี้ถ้ามานั่งตรงนี้ก็เป็นนั่งสาลาหอไตทํามาสร้างสติตีสี่ครึ่งเราทำวัดตัวผม คำว่าจนวันจนแล้วก็เราทำสู่กันป่อเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราจัดให้เฉพาะพวงเราเป็นอย่างนี้อ่าก็สมควรในเวลาปฝากพระพ้อกันสระหงสมนสุตตากะวะ พทธังนธ์อยู่วัดนี้ธรรมโตบังธมนิิปนต